ส่วนคาถาที่38ดเนี่ยนะได้ยินว่าพระเจ้าพารนาสีพระองค์หนึ่งพระองค์ก็ทิ้งทางบ้านใหญ่และก็บ้านน้อยเพื่อจะทรงปราบปัจจันตชนบทที่กำเริบให้สงบพระองค์ก็ถือเอาทางดงดิบ ท, ที่เป็นทางตรงเสด็จไปด้วยเสนาหมูใหญ่หมายา็ว่าในแวนแควนของพระองค์เนี่ยนะเกิดโจรกำเริบขึ้นมาพระองค์ก็จะไปปราบโจรทีนี้มันเส้นทางที่จะไปปราบโจรมีสามสาย มีสายบ้านใหญ่มีสายบ้านน้อยกับอีกหนึ่งก็คือเรียกว่าแหวกป่าไปเลยไอทางที่แหวกป่าเนี่ยมันจะรัดที่สุดสั้นที่สุดสามารถที่จะจับโจนโดยโจนไม่รู้ตัวเนี่ยนะหรือว่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตั้งตัวมันก็เลยเลือกเอาเรียกว่าเลือกเส้นทางตรงก็คือเรียกว่ารัดป่าไปเลยก็สมัยนั้นราชสีกำลังนอนตากแดดอ่อนอยู่ที่เชิงเขาลูกหนึ่งนะเรียกว่ากลางคืนอากาศมันหนาวเย็นใช่ไหม ช่งเช้าๆมาก็แดดอ่อนๆก็สองมาแม้พึงแดดมีความสุขดีพู้ราชบุรุษเห็นราชสีแล้วก็ทูลแด่พระราชาพระราชาก็ดำเนินว่าได้ยินว่าราชสีไม่สะดุ้งด้วยเสียงจึงตรัสสั่งให้ทําเสียงให้ดังเลยนงะด้วยเสียงกลองเสียงสังบรนดาะเป็นต้นราชสีก็นอนอย่างนั้นทีเดียวทรงทําให้ทรงเสียงแม้ครั้งที่สองราชสีก็นอนใช้อีกแม้ครั้งที่สามอีก ราชาสีก็เลยคิดว่าราศัตรูของเรามีอยู่เอ๊พวกเสียงพวกนี้ไม่เลิกไม่ราสักทีหนึ่งแสดงว่าพวกนี้เป็นศัตรูเราก็เลยลุกขึ้นพะงาดด้วยเท้าทั้งสี่บรรลือสีหนาถเนี่ยนะเรียกว่าบรรลือศีหนาถก็คือราชาสีคัมรามนั่นแหละพลนิกายทั้งหลายควานช้างเป็นต้นได้ยินเสียงบรลือนั่นเที่ยวก็ลงจากพาหนะมีช้างเปนน็นต้นหนีเข้าหยบพงเข้าป่าไปหมดหมู่ช้างหมูมาก็วิ่งตเตลิดเปิดเปล่งไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่เนี่ ย, ยไปเล่นกับราชาสีมันก็ยุ่งอย่างนี้แหละ ช้างพระที่นั่งของพระราชาก็าพาพระราชาบุกปากทึบเป็นต้นนี้ไปพระองค์ไม่สามารถจะให้ช้างพระที่นั่งหยุดได้เพราะช้างเนี่ยกลัวราชสีมากนะนะไม่รู้ช้างก็ไม่ยอมหยุดรากทีในที่สุดพระองค์ก็ไปเกี่ยวเอาเกี่ยวหนเอาเก่งไม้เสร็จแล้วก็ตกลงที่พื้นดินพระองค์ก็เสด็จโดยโดยหนทางที่แคบเดินได้คนเดียวนะก็เรียกว่าบุญบุญมาว่าวาสนาส่งนะ ก็เลยนี้ราชสีไปปะพระประเจกกับพุทธเจ้าไปถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับพระประเจกพรุทธเจ้าอยู่ก็เลยถามพระประเจกกับพรุทธเจ้าที่หลายทั้งหลายณที่นั้นว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญพระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงบ้างไหมได้ ย, ยินมหาภพิษเสียงอะไรพระผู้เป็นเจ้าที่แรกเสียงกลองเสียงสังเป็นต้นภายหลังเป็นเสียงราชสีพระผู้เป็นเจ้ากลัวราชสีบ้างไหมบอกไม่กลัวเสียงอะไรเลยมหาภพิษ พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอาดเพื่อจะกระทําข้าพเจ้ามิให้กลัวเช่นนี้ได้ไหมข้าพเจ้านี่ตกใจมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าใจนี่ตกใจมากกองทับตัวนี้ตลยเปรืป่องไปหมดเรียกว่าแทบไม่เหลืออะไรแล้ยเหลือแต่ตัวกับหัวใจแค่นี้แหละแม้เหลือแต่ใจตกสูงๆต่ำๆเนี่ยทํำยังไงนอ้องั้นช่วยได้ไหมช่วยให้ใหายตกใจได้ไหมบอกอาดมหาภพิษทาได้ถ้าพระองค์บวชนะข้าแม่ต้องบวชนะถ้าบวชแล้วให้เลิกตกใจได้เออข้าพเจ้าจะบวชพระเจ้าข่า จากนั้นพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายก็ให้พระราชาพระองค์นั้นบวชแล้วก็ให้ศึกษาอภิสมาจาริการวัตดโดยในที่กล่าวแล้วนะนุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้อนะยืนอย่างนี้เดินอย่างนี้เข้าบิณฑบาตอย่างนี้ก็แนะนําให้ไปพระราชาเมยนั้นก็เจริญวิปัสสนาตามนายยะที่กล่าวแล้วก็อาศัยอะไรราชสีนั่นแหละเป็นตัวอย่างก็เจริญ วิปัสนาทำให้แจ้งปัจเจกับโพธิยานก็กลับแป่งอุทานวาสีโหยะถาทาถ า, า, าพลีประสยัยหาราชามิคานางอภิภุยยจารีเสเวะทะปันตานิเสนาสนานิเอกโกเจเรฆ า, าวิสาน ก, กัปโภบุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเช่นกับนแรด เหมือนราชสีมีเขี้ยวเป็นกําลังคมขีครอบงําหมูเนื้อเที่ยวไปฉะนั้นนะก็ได้ว่าให้อยู่ที่หลีกเร้นเนี่ยนะให้อยู่ในที่หลีกเร้นในที่เงียบอันส ง, งัดเที่ยวไปผู้เดียวเช่นกับนอแรตแต่เขาไม่ใช่ว่าแหมเที่ยวไปแบบขนลุกชูชันอะไรเพิ่นต้นหวาดซสือดงหวาดผวาไม่นะองค์อาจมั่นคงเหมือนกับราชสีฉะนั้นพระราชสีผู้มีเขี้ยวเนี่ย น, นะมีเขี้ยวเป็นกําลังระาถ้ากัดใครและเนื้อหลุดแน่เหมือน อาศัยเขี้ยวนี่แหละแค่เรียกว่าทาทะผลีมีเขี้ยวเป็นกําลังราชสีเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนมีการฆ่าและมีเชาเฉาเร็วก็คือรวดเร็วนะราชสีมีหลายกลุ่มอันนี้หมายถึงไก่สอนราชสีเกสรก็คือไก่สอนราชสีนั่นแหละประสงคเอาในที่นี้อย่างที่เรารู้จักการส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มสิงโตเป็นสีหธรรมดานี่นะไม่ใช่ที่ที่จะกล่าวถึงในคัมภีร์ ที่กล่าวถึงในคัมภีรทั่วไปนี่หมายถึงไกรสอนราชสีที่ไม่สะดุ้งไม่กลัวเนี่ยไม่ใช่สิงโตทั่วๆไปในคควิสานสุตานิเทศเนี่ยนะที่ภาษาริบุตรนิเทศเอาไว้ว่าพระปเจกริย์พระพุทธเจ้านั้นมีปัญญาเป็นกําลังคมขี่ครอบงําสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปเหมือนราชสีมีเขี้ยวเป็นกําลังปราบปรามครอบงําเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉะนั้นพระปเจกสัมพิย์ผู้แต่เจ้านั้น เพิงเสพซึ่งเสนาสนะอันสงัดเพิงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉนั้นคําว่าราชสีเ น, นี่ยนะที่บอกว่ามีเขี้ยวเป็นกําลังปราบปรามครอบงำเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปอธิบายว่าราชสีมีเขี้ยวเป็นกําลังคือมีเขี้ยวเป็นอาวุธขมขี่ครอบงำปราบปรามกําจัดย่ยํายีซึ่งสัตว์เบระฉานทั้งปวงเที่ยวไปท่องเที่ยวไปดําเนินไปเป็นไปรักษาบํารุงเยียวยาฉันใด พระปเจกาสามพุทธเจ้าก็ฉันั้นเหมือนการมีปัญญาเป็นกําลังคือมีปัญญาเป็นอาวุธคมขี่ครอบงำปราบ medium. ปร า, ปร า, ปร า, ร า, ามกําจัดย่ำยีสัตว์ทั้งปวงด้วยปัญญาเที่ยวไปท่องเที่ยวดําเนินไปรักษาบํารุงเยียวยาเพราะฉะนั้นราชสีมีเขี้ยวเป็นกําลังปราบปรามครอบงำเนื้อทั้งหลายฉันใดพระปเจกับพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกําลังปราบปรามสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขารอกคือ คนที่กลัวคนอื่นเนี่ยก็เนื่องจากไม่มีปัญญาพอใช่ไหมพอไม่มีปัญญาพอก็ทําให้หวาดผวาสะดุง้งเห็นสัตว์เราใดก็สะดุ้งไปหมดเห็นคนอื่นก็หวาดผวาตก อ, อกตกใจไปหมดผู้ที่มีปัญญาก็ไม่มีคําว่าหวาดผวาสะดุ้งฉะนั้นคําว่าพึงเสภเสนาสะนะอันสงัดมีอธิบายวา่าศีหมฤุก ร, ราชเข้าไปสู่ราวป่าอันสงัดเที่ยวไปท่องเที่ยวไ ป, วไปดําเนินไปเป็นไปรักษาบํารุงเยียวยาฉันใด แม้พระประเจกสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่ารกชัดสงัดเงียบสงัดไม่มีเสียงกึกก้องตราศจากคนสัญจรไปมาควรแก่การทํากรรมลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเร้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบิณฑบาตผู้เดียวกลับแต่ผู้เดียวนั่งอยู่ในที่รับผู้เดียว อธิษฐานจงกรมผู้เดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปท่องเที่ยวไปดำเนินไปเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงเสพเสนาสนะอันสงัดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรดแต่คำว่าอยู่ผู้เดียวในที่นี้อยู่ด้วยมรคแปดนะไม่ใช่ว่าอยู่แต่ร่างกายเนี่ยนะร่างกายอยู่แต่คนเดียวคือการอยู่คนเดียวเนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าใครที่เกิดมาแล้วอยู่คนเดียวบ่อยๆนี่จะเข้าใจว่าอยู่คนเดียวเป็นยังไง อยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าอยู่แบบคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเป็นเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่เลี้ยงแบบนั้นไอ้อยู่แบบนั้นไอ้อยู่เป็นร้อยปีเขาไม่ได้อะไรซ า, ากอย่างนะนะั้นนะก็มันอยู่ในทีนี้ก็คืออยู่ด้วยมรรคแป่ะนะอยู่กายวิเวกจริงแต่ใจนั้นอยู่กับสมถะและวิปัสสนาจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ไม่งั้นเนี่ยใครที่แหมปล่อยให้ไปเฝ้าป่าเฝ้าสวนนี่จะได้ดิบได้ดีกันมู้ดไม่ใช่รอกเนี่ยนะนะอะไรจะทุกข์เท่ากับคนอยู่คนเดียวไม่มีอีกแล้วถ้าหากว่ามิไม่มีสมถะวิปัสนนนาเนะ เงาก็าปานนั้นเดือดร้อนกับปานั้นเศร้าใจกับปานั้นโอ้ทุกข์มากคนอยู่คนเดียวแต่ว่าพออยู่ไปชินๆอีกก็กลายเป็นเหมือนกับอะไรที่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ในที่นี้อ ธ, อธิบายสันเสริญยก ork, ย่องผู้ที่อยู่ผู้เดียวคื อ, อกายวิเวกเสร็จจะได้เจริญจิตตวิเวกเมื่อเจริญจิตตวิเวกแล้วจะได้เจริญอุปธิวิเวกนั่นเองคถาที่สาสิบเก้า ได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งทรงได้เมตตาฌานเท้าเธอทรงพระราชดำริว่าราชสมบัตินี้กระทาอันตรายต่อความสุขในฌานจึงสละราชสมบัติเพื่อจะรักษาฌานเอาไว้พระองค์ก็พนวดแล้วก็ทำให้แจ้งทำปัจเจกะโพธิญาณให้แจ้งตัดอุทานเป็นคาถาว่าเมตตังอุเปก ข, ขังกรุณังวิมุตติ อาเสวะมานโนมุทิตันจักกาเลสัพเพณโลเกอวิรุชมานโนเอโกเจเรคควิสานกัโปโอบุคคลเสพเศพเนี่ยนะหมาย ว, ามว่าอาเซวะอาเสวะก็คือเจริญทําให้มากอะนะอยู่ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์หรือเมตตาวิมุตต์ครุณาวิมุตต์เนี่ย น, นะครุณาเจโตวิมุตต์มุทิตาเจโตวิมุตต์และอุเบกขาเจโตวิมุตต์ ในกาละอันสมควรนเนี่ยนะหมายความว่ารู้สมัยว่าเออสมัยนี้เข้าเมตตาสมัยนี้เข้าการุณาสมัยนี้เข้ามุทิตาหรือเจริญอุเบกขาเขาเรียกว่ากาลังนเนี่ยนะกาเลเนี่ยเรียกกาละอันสมควรรู้เวลาว่าขณะไหนเหมาะที่จะเจริญอะไรเสร็จแล้วก็เมื่อเจริญพรหมิหารเป็นบาทเจริญวิปัสนาก็บรรลุอริยมัตเพราะฉะนั้นเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรฉะนั้นดังนี้ ในคาถานั้นความเป็นผู้ใคร่เพื่อนนำเข้าไปซึ่งหิตสุขโดยนายเป็นต้นว่าขอสาัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเมตตาลักษณะของเมตตาก็คือคิดถึงหิตสุขว่าเขาควรได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเช่นใดขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์และรับความสุขฉะนั้นเถิดการคิดอย่างนี้บ่อยๆเป็นเมตตานะ ขอให้อเวราโหนตัอย่าได้มีเวรเลยสุกิตาโหนตัจงอยู่เป็นสุขเธออนีคาโหนตัขอให้อย่าได้มีทุกเลยสุขีอตานางปริหารันตับริหารตนให้พ้นจากทุกบริหารตนให้ประสบแต่ความสุขตลอดไปเธอก็คือลักษณะแบบถ้าเป็นท่าให้พรก็คือสุขีทีคายุโกพวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเป็นต้นถ้อยคําเหล่านี้ก็เป็นคําที่กล่าวการเจริญ เมตตาหรืออาจจะลักษณะว่าอย่างภวะตูศพพมังคลังเนี่ยนะขอศัพท์พระมงคลจงมีแก่ท่านก็คือเป็นถ้อยคําที่เจริญเมตตาขอให้ทุกคนประสบแต่มงคลทั้งหลายนะขอให้ทุกคนเจริญด้วยมงคล38เพราะว่ามงคล38เป็นเหตุแห่งความเจริญให้ดํารงอยู่ด้วยมงคลทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการเจริญเมตตานั่นเองความเป็นผู้ใครจะนําออกเสื่งอหิตะทุก โดยไหนเป็นต้นว่าโอ้หนอเราพึงพ้นจากทุกข์ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าการุณาหรือว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกข์เนี่ยนะขอให้พ้นจากทุกข์หรือขอให้พ้นจากเวรทั้งหลายเนี่ยนะขอให้อย่าได้มีเวรอย่าได้มีเรื่องเดือดร้อนอย่าได้ทุกข์ทางกายอย่าได้ทุกข์ทางใจเลยขอให้พ้นจากทุกเธอดสับพททุกขาปมุนจันตุขอให้หลุดพ้นจากสับพทุกทั้งปวง สภาพจิตที่น้อมไปคิดะนะเช่นแต่เขาป่วยอยู่เขขอให้หายป่วยหายไข้ให้หายลําบากความลำบากกายลําบากใจให้พ้นจากความเดือดร้อนทางร่างกายและจิตใจก็คือเห็นคนป่วยแล้วก็น้อมไปเพื่อให้หา ย, หายป่วยหายทุกเนี่ยนะความคิดอย่างนี้เป็นกรุณาถ้ากว่าเห็นเขาธรรมดาก็ปรารถนาให้เขาประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวอันนี้เป็น เมตตาน้อมไปว่าขอให้พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเธออันนี้ก็เป็นกรุณาบางทีบางแห่งก็ผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยเขาบอกขอให้พ้นจากอขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเธออันนี้คํานี้ก็มีเหมือนกันอย่างสมณีนนรูปหนึ่งน่ยนะท่านมีปกติกล่าวอยู่สองประโยคท่านันนะขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอให้มีความสุขเป็นเมตตา ขอให้พ้นจากทุกทั้งปวงเป็นการุณาเสร็จแล้วท่านอธิบายเป็นอริยศัสตร์ว่าขอให้พ้นจากทุกคือทุกขศาสตร์และสมุทัยศัสตร์ขอให้มีความสุขแทงตลอดนิโรศัราสจะกับมรรคศาสจะ มันขอให้มีความสุขก็คือขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานขอให้พ้นจากทุก์ในวัฏฏะให้พ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกทั้งหลายให้พ้นจากสังสารทุกข์ให้พ้นจากโสก ป, ปริเทวทุกขโ ท, โทโมนัดและอุปาญาตทุกข์เพราะฉะนั้นอริยสัจนั้นตั้งแล้วเจริญเมตตาเจริญกรุณาก็ได้ขอให้พ้นจากทุกข์คือชาติทุกข์เป็นต้นขอให้ประสบความสุขคือสุขในมรรคผลนิพพานเป็นต้น น, นะขอให้พ้นจากทุกขเป็นกรุณา ขอให้ประสบแต่ความสุขเป็นเมตตาเนี่ยนะส่วนมุทิตาล่ะความเป็นผู้ใคร่เพื่อไม่ให้พลัดพรากจากหิตสุขโดยในเป็นต้นว่าสัตว์ผู้เจริญทั้งหลายเพลิดเพลินหนาเพลิดเพลิน ด, ด, ด, ดีแท้ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้มี มุทิตาเนี่ยนะดีแท้มีความสุขจริงเนาะขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแนนะีคือเห็นเขามีโอ้ทุกคนมีความสุขดีเหลือเกินขอให้รักษาความสุขเหล่านี้ให้มั่นคงตลอดไปขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเช่นนี้ตลอดไปนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของมุทิตาเนี่ยนะมุทิตาทัายหับยางศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเขบอกว่าผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะจิตใจเป็นทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมอันนี้เป็น กรุณาบอกขอให้ทุกคนได้ศึกษาพระธรรมนะเป็นเมตตาพระธรรมที่ศึกษาแล้วก็ขอให้เจริญทุกวันเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะอันนี้ก็เป็นมุทิตานี่นะครับผู้ที่ศึกษาพระธรรมก็ตั้งลักษณะนี้เจริญม เ, เมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาก็ได้นี่นะขอให้พ้นจากทุกข์เพราะไม่ได้รักษาศีลอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรขอให้พ้นจากทุกเพราะไม่ได้รักษาศีลเป็นกรุณาเนี่ยนะ ขอให้ประสบความสุขในการเจริญศีลในการรักษาศีลในการปฏิบัติตามศีลก็เป็นเมตตารักษาศีลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะให้ประสบจากความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเป็นมุทิตาเนี่ยนะรักษาคุ้มครองกุศลธรรมให้เจริญงอกงามต่อไปหรือว่าอย่างถ้าเกี่ยวกับโภกท้ศัพท์ทั้งหลายก็บอกว่าขอให้พ้นจากความยากจนกันนะอนนี้ก็เป็นกรุณาขอให้ประสบความสุขความร่ำรวยเป็น เมตตาเนี่ยนะก็รักษาทรัพย์สมบัติให้ดีนะอย่าให้เดือดร้อนนะบริหารทรัพย์ให้อ่าเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเธอเป็นมุทิตาเนี่ยนะนะส่วนอุเบกขาก็คือเป็นผู้วางเฉยในสุขทุกข์ทั้งหลายว่าสาัตว์ทั้งหลายจะปรากฏตามกรรมของตนเพราะว่าถ้าทุกคนปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญเขาก็ประสบความเจริญถ้าเขาปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเขาก็จะประสบแต่ ความเสื่อมเนี่ยนะอ่าก็เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลปรารภถึงเหตุและผลพระปจเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าท่านอยู่ด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขานั่นเองทั้ง4ี่อย่างนี้เขาเรียกว่าวิมุตต์เนี่ยนะเมตตาวิมุตต์อ่าหรือเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตต์ครุณาเจโตวิมุตต์มุทิตาเจโตวิมุตต์และอุเบกขาเจโตวิมุตต์เพราะพน้นจากธรรมทั้งหลายที่เป็นข้าศึกของตนเนี่ยนะ ก็เลยกล่าวว่าบุคคลเสพอยู่ซึ่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจโตวิมุตโดยกาละอันสมควรเราวรู้เวลานะอาเสวะมานก็คืออบรมอยู่ซึ่งทมทั้งสาด้วยอานาจฌานหมวด3และหมวดสี่ส่วนอุเบกขานั้นเป็นจตุทฌานคือเจริญเมตตาเนี่ยนะได้ปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตัตยฌานกรุณามุทิตาก็ได้ปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตัตยฌานและ จะตูธาชานส่วนอุเบกานั้นเจริญต่อจากฌานที่3ไปแล้วเมื่อได้ฌานที่3าไปแล้วจึงเจริญอุเบกขากาเลนะกาเลเนี่ยนะก็หมายความว่าบุคคลเจริญเมตตาแล้วออกจากเมตตานั้นก็เสพกรุณาออกจากการุณาแล้วก็เจริญมุทิตาออกจากมุทิตาก็เจริญอุเบกขาใช่ไหมฌานอันไม่มีปีตินอกนี้แล้วก็เสพอุเบกขาก็คือออกจากมุทิตาก็เจริญอุเบกขา เชื่อว่าเสพอยู่ในการหรือว่าเสพอยู่ในการละอันผาสุขสถานที่สะดวกสบายมีความสุขก็จเจริญเหล่านี้บทว่าซาเพนโลเกนอวิรุชมาโนไม่ยินร้ายด้วยโลกทั้งปวงในสิทธิ์ในทิศ ท, ทั้งสิบ น, นะไม่ยินร้ายคาราว่าไม่มีโทสะในในทุกทุกขนทุกแห่งเลยนะคิดถึงไม่มีทิศใดที่จะยังใจให้มีโทสะเลยคิดถึงคิดไหนใจก็สบายหมดนนะ จริงอยู่เพราะความที่ทำทั้งหลายมีเมตตาเป็นต้นอันเจริญแล้วสัตว์ทั้งหลายจะก็เป็นผู้ไม่น่าเกลียดทุกคนน่ารักหมดเลยเนี่ยนะไม่มีใครน่าเกลียดน่าขยะขยะงน่ากลัวน่าไม่อยากเห็นหน้าอะไรเป็นต้นไม่มีเลยมีแต่ทุกคนเนี่ยนะมันเหมือนกับอะไรท่านก็บอกว่ามาตายะฐานิยังปุตตังอายุสาเนี่ยนะมาดาถนอมบุตรคนเดียวก็คือมองเห็นสัตว์ทั้งหมดเหมือนบุตรน้อยคนเดียวของตนเนี่ยนะ จะรังเกียจ บ, บุตรน้อยของตัวไปทําไมวันก็มองเห็นว่าสัตว์ทุกทิศ ท, ทั้งทิศเ บ, บ, บื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังทิศ ท, ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะก็เหมือนกับบุตรน้อ ย, นอยคนเดียวมันคิดถึงทิศไหนใจก็เป็นสุขเนี่ยนะคิดถึงบ้านไหนเมืองไหนใจก็เป็นสุขก็เหมือนว่านคนในบ้านนั้นเมือง น, นั้นก็เหมือนกับลูกน้อ ย, นอยคนเดียวของเรานั่นแหละอันนี้แหละเรียกว่าเป็นกลายเป็นว่าสัตว์ทั้งมวลไม่มีใครน่าเกลียดเลย ก็ปรารถนาให้เขาประสบแต่ความสุขอันนั้นก็เป็นเมตตาเนี่ยนะแล้วก็และปฏิฆาอันก่อความโกรธในสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมสงบระงับไปเนี่ยนะก็อย่างว่าเคยได้ยินไหมพ่อแม่ทั้งหลายถือโทษโกรธถือสาลูกตัวเองเนี่ยนะที่รักที่สุดเนี่ยนะเขาไม่ถือสาฉันใดก็มองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความผิดพลาดเป็นต้นก็ฉะนั้นก็ไม่เก็บมาโกรธถือสาอะไรหรอก เขให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในโลกทั้งปวงเนี่ยนะไม่มีที่ไหนที่จะยังใจให้โกรธไม่มีสถานที่ใดคิดแล้วใจเป็นโทสะคิดแล้วก็มีแต่เมตตาเนี่ยนะเขาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความเจริญส่วนรายละเอียดพิสดารท่านบอกว่าไปดูในอัถาคัมภีรธรรมสังทินีส่วนภาษาอาริบุตรนิเทศอธิบายไว้ว่า คำว่าส่องเสพเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุตตลอดกาลเวลาเนี่ยนะอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นมีใจประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะเมตตาก็คือเช่นอเวราอเวาโหนตัวอพยาปชาโหนตัวอนีคาโหนตัสุขีอัตนังปริหารโตก็คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เวไม่มีเวเนี่ยนะอเวราโหนตัไม่มีเวอัออพยาปชาโหนตัวจะได้โกรธจะได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยเนี่ยนะ อันนี้ขาโหนตุข อ, อย่าได้มีทุกข์เลยสุขีอัตนางปริหารันตุบริหารจิตใจบริหารร่างกายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญไปนะอย่างเงี้ยก็มีความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตาอย่างเนี้ยไปตลอดทิศ ท, ที่หนึ่งทิศ ท, ที่หนึ่งก็มีเมตตาอย่างเนี้ยนะเช่นทิศเบื้องหน้าก็เมตตาทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็แปลว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาหรือว่าตลอดทิศตลอด ทั้งหมดนะนะไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบไปด้วยเมตตาอันไพ่บูร์เรียกว่าใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นมหคตะเป็นใหญ่อประมาณนะหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรคือไม่ได้ไม่ได้แผ่ ปานาติบาตออกไปใช่ไม่ได้แผ่อาทินนาทานการมีสุมิชฌาจารมุสาวาทไม่ได้แผ่จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลไปเลยอั้นก็แปลแผ่แต่จิตที่ไม่มีเวรเป็นจิตที่ไม่ทุศีลเป็นจิตที่เป็นเมตตาเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีไม่มีความเบียดเบียนมีจิตคิดประทุษร้ายเลยเนะเหมือนอย่างว่าลมอ่อนๆพัดแล้วสัตว์ทั้งหลายเย็นสบายฉันใดผู้ที่ประกอบด้วยจิตใจมีเมตตาก็เหมือนกับว่า แผ่ความเย็นสบายไปในสัตพ์สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยนะหรือมีใจประกอบไปด้วยกรุณาเนี่ยนะมุ่งปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นปจากความทุกข์แผ่เมตตาเนี่ยนะเชื่อว่าสรรัพพะทุกขาปรมูลจันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะแล้วก็เจริญกรุณาที่มุ่งปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์เหมือนอย่างว่า ถ้ า, าการอบอ้าวนี่จะมีความสุขไม่เหงื่อท่วมเลยไงนะก็ถือว่ามีความทุกข์ชันใดก็ขอให้พ้นจากทุกเหล่านั้นประสบแต่ความร่มเย็นอัะนะประสบแต่ความสุขขอให้พ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงชันใดผู้ที่มีใจประกอบด้วยกรุณาก็น้อมไปเพื่อให้สัตว์เหล่าอื่นพ้นจากทุกชั้นนั้นแล้วก็แผ่กรุณาปรารถนาให้สัตว์พ้นจากทุกเนี่ยแผ่ไปทิศ ท, ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือทิศข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวา เบื้องบนเบื้องล่างเบื้อ ง, งขวางไปตลอดโลก น, นนะตลอดโลกทั้งหมดแพ่กรุณาอันนี้ไปในสัตในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานมีใจประกอบไปด้วยเมฆด้วยกุณาอันไพยบูนเป็นใจที่กว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เรียกว่ามีใจประกอบด้วยกรุณา ส่วนมีใจประกอบไปด้วยมุทิตาร่วมบันเทิงเนี่ยนะบันเทิงใจไปกับในสัตว์ทุกหมู่เหล่าผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะผู้นี้มีความเจริญอยู่แล้วก็ขอให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เรื่อว่ามีใจประกอบไปด้วยมุทิตาก็มีใจประกอบไปด้วยมุทิตาเหล่านี้ไปตลอดทิศทั้งหมดในทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องกลางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะไปใน ทั่วทุกทิศในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบไปด้วยมุทิตาส่วนอุเบคาก็คื อ, อนนะว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะใครปฏิบัติในทางแห่งความเจริญผู้นั้นก็จะประสบแต่ความเจริญตลอดไปกว่าก็ปรารบว่ า, าทุกคนอยู่ในทางดำเนินของตัวนะอยู่ตามการกระทาของตัวด้วยใจที่ประกอบไปด้วยอุเบขาอันนี้ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานประกอบใจไปด้วยอุเบกขาอันภัยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อันนี้ชื่อว่าซ่องเสพอะไรอุเบกขาสรุปว่าเจริญทั้งเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาตลอดกาลเวลาเรียกว่าตามการเต็มตามเวลาเนี่ยนะ อันสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลม่ได้เกลียดชังเนี่ยนะครแปลว่าผู้ที่เจริญเมตตาการุณาโมทิตาและอุเบกขาสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกจึงไม่เกลียดชังสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศอนัทิศเนะชียงเฉียงอ่ะนะครับทิศเบื้องบนเบื้องต่ําทั้งสิบทิศเนี่ยนะไม่มีสัตว์เป็นที่เกลียดชังเลยแล้วก็คนที่อยู่ด้วยเมตตาจริงๆไม่เป็นที่เกลียดชังของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียดชังของตนด้วย ตนก็ไม่เป็นที่เกลียดชังของสัตว์ทั้งหลายด้วยนะเนี่ย น, นี้ด้วยอนุภาพของเมตตาเนี่ยนะคำ ว, ว่าอันสัตว์โลกทั้งมวลม่ได้เกลียดชังความว่าสัตว์โลกทั้งหมดม่ได้เกลียบไม่ได้โกรธม่ได้เ ส, สียดสีไม่ได้กระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นชื่อว่าอันสัตว์โลกทั้งมวลไม่ได้เกลียดชังพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อดแลศนั้นอันนี้คือพระปเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ด้วย เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นวิมุตตลอดกาลเวลาเนี่ยตามเวลาท่านก็อยู่ด้วยพรหมมิหานคือว่าอันนี้คือว่าอาสนะที่ท่านอยู่ที่ไหนท่านยืนก็ยืนด้วยพรหมมิหารนั่งก็นั่งด้วยพรหมมิหารนอนก็นอนด้วยพรหมมิหานคือเดินก็เดินด้วยพรหมมิหารอริยาบทสี่ของท่านอยู่ด้วยพรหมมิหารอันนี้เป็นอะไรจิตตวิเวกเนี่ยนะจิตตวิเวกนะผู้ bon ze, ที่เจริญเมตตามากๆกรุณามุทิตาและอุเบกขานั้นเป็นจิตตวิเวก เสร็จแล้วก็เจริญวิปัสนาเพื่อแทงตลอดธรรมที่เป็นอุปทิวิเวกนะเที่ยวไปด้วยอารยมรรคเหมือนน่อแรกฉะนั้นเนี่ย น, ะ น, นี้ก็เป็นคาถาที่39เรียกว่าอัปปมัญญาคาถาวรนานาจบเนี่ยนะั